ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทําง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งนิพพานอีกตอนนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคมีอยู่ สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่ทว่าสําหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยเหมือนกัน ว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกๆพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าท่านอาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมา อาเหตุยากๆมาสอนบอกว่านี่เพื่อทําคําสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงยอดดีนี้สิบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย การเป็นปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทําลายความดีของพระพุทธเจ้าเลยขอพูดสมัยว่าท่านทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้รู้สิทธิ์ปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากยากมันเป็นของขลังดีมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผล <c oughs> ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีแต่ความจริงถ้าสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบเฉมบัพที่องค์สมเด็จพระติพเกี้ยวสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปกี่ สำหรับท่านนั้นหลายที่เป็นพระอรหัตตผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะไร้รู้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วย่อมทราบดีว่าพระธรรมคําสอนขององค์พระประทีปแก้วเอท่านได้บรรลุมันแล้วสิ่งใดบ้างที่พ่อสมควรจะกําลังใจของมารดาท่านพุทธบริษัท เมื่อเกี่ยวกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่ไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงไวกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลผู้ไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าป่าเข้ารกไปพบน้ําบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายาม เห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกําลังใจที่จะถึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันถึงว่าเขียนดําดําราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาสอนคน องค์สมเด็จพระทศพลมเดชสอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้มีระบับฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนั้นสอนแบบง่ายๆตอนนี้ก็จะนําเอาศักดิ์เดชฉานเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพียงความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลืองฟังธรรมพร้อมกันแต่ว่าการฟังธรรมของสัตว์วิเศษกลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลืองชอบใจเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั้นเป็นพระและไปสอนธรรมกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคําว่าพระ แล้วเขาเองก็ไม่ไม่รู้จักภาษามนุษย์และเสียงที่กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกมนุษย์ชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบทเป็นพระในสํานักของพระสารีบุตร ฟังธรรมซ้ําอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตตผลนี่นี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลื่อมงูเหลื่อมถ้าไม่เกิดเป็นคนมาบวชเป็นอาเจรคแล้วก็ได้ทิพพจโครยานจึงกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตตมานต้องใช้เวลาตั้งหลาย 10 ปีนี่คือตอนบวชเป็นพระได้ทิพพจโครยานแล้วพระเจ้าอโศกมหาราช <c oughs> ยังเป็นเด็ดต่อมาเมื่อพระเจ้าโสกัมหาราชของราชวิรดาแทนนอกของราชสมบัติแทนราชวิรดาก็แสดงว่ายามน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะป่ากันไปถึง 6-70 ปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสําหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไป เรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศน์มามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือค้างคาว 500 ตัวนี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ําเดียวกับงูเหลื่อมตอนนั้นนั้นพระสมณนั้นหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมด้วยการซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่อง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะท่องอภิธรรมให้เกิดความชํานาญแล้วนําไปสวดศพก็หวังเย็นได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตพระสมัยนั้นถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งนิพพานได้ <c oughs> มีเป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และพอมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้ายังยังดํารงปชลอยู่เมื่อพระท่านหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสํานักขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วจึงได้เอานําเอาพระธรรมนําเอาพระอภิธรรมที่องค์สมเด็จพระอาทิตย์แก้วสอนไว้ ไพศาลได้ยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในขณะที่ท่านนั้นหลายเข้าไปซ้อมอภิธรรมในถ้ำหลังนั้นคือในถ้ำเดียวกันกับที่งูเหลื่อมนอนอยู่แต่ว่าคันข้าพวกนี้ไม่ได้ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> แล้วก็ชอบเสียงไอวีทําแต่เฉพาะบทอายตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเสียงว่ายังไงที่พระท่านหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทําเสียงให้สม่ําเสมอกันเพื่อความคล่องด้วยความมีระเบียบทั้งขาทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเพราะฟังเรียบร้อยสนุกดี <c oughs> เธอรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หามไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับหลัดเท้าก็หลุดล่นลงมาวิสสะกระทบหินตายหมดทั้ง 500 ตัวเมื่อตายแล้วก็ฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สัตว์เทวะโลกทั้งหมด มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 500 เป็นเป็นบริวารนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริสาทุกท่านฟังเด้อสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างคราวที่บรรดาท่านพุทธบริสาท่านหลายมีบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อฟังธรรมจากเสียง <c oughs> <c oughs> เออมึงเอินเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามอันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจรอจะจําได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าทําจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับธรรมบทนั้นเราชอบธรรมบทไหนไม่ต้องฟังทุกบท อันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้นไม่ความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดี หรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่เท่าว่าใจจิตใจจักอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอนุสัยจิตใจของท่านจักอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิเตสอ่าปริสุทธิเทสุกติปาติกาังขาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลส แต่เป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับคังคาวทั้ง 500 ตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลี่ยมตอนนี้มาคุยเรื่องคังคาวต่อไปนี่เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพลอยใจในการฟังธรรม พอใจบทไหนมากฟังซ้ําอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอน 1 ก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาข้างคาบทนั้นที่ฟังทําในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินวรไม่รู้เรื่องแต่ว่าพอใจในเสียงเมื่อ <c oughs> ท่านในภายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปถัมภ์ขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุปถัมภ์ในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเทวทรรดาข้างข่าวทั้ง 500 ก็จุติจักรเทวดาคําว่าจุติแปลว่าเคลื่อนก็ไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาประมง ในแก่ของพระพุทธศาสนาชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษารีบทมากต่อมาคั้งคาทั้ง <c oughs> 500 ที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงพอได้โปรดสารไม่ได้เกิดมีพ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันทั้ง 500 อย่างนี้เค้าเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคน ไม่เกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูก 5 คน 3 คน 4 คนแบ่งกันเกิดไม่ใช่ร่วมไปเกิดท้องเดียวคราวละ 5 คนยังจะแย่เมื่อได้เกิดมาแล้ว อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในการนั้นปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิจิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมานดาคือนําเอาอภิธรรมทั้ง 7 จัมพีนี้ไปสอนพระพุทธมานดาพร้อมด้วยเทวดาและภุมม์ทั้งหมดในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหาร เมื่ออาการที่องค์สมเด็จพระบิชิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปเทศน์โตตพุทธมานดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัติยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระได้มโนมยิทธิคือว่ากายขึ้นไปของพระต่างกัน <c oughs> บางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เอาไปเป็นนามกายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคําว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงๆมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอทิสมานกายมีหัวมีเท้ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกัน ตัวกายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันทั้งด้านกุศลผลและบุญที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาปกายนี้ก็เสื่อมโสมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไหร่ร่างกายนี้สวยมากเท่านั้นถ้าร่างกายของพระที่ประกอบเป็นนิพพานที่เห็นเป็นแก้วประกายพริบตั้งดวงที่แสงสว่างมาก นี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจโตปริยัติญาณเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระพฤคทมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเฉียดได้มาแล้วองค์สมเด็จพระธิบดีแก้วจึงได้สอนพวกเราเหล่าพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อพูดกันไปก็มาถึงเวลาเป็นบรรบาทแล้วองค์สมเด็จพระปฏิแถวก็ทรงใช้พระปฏิหาริย์ในรมิตรรูปพระองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศน์ต่อแล้วองค์ก็ทรงลงมาเป็นบรรบาทยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นพระสารีบุตรที่ขอบสะโปกคณี <c oughs> องค์สมเด็จพระกนิษฐ์สีจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอจึงมาหาตถาคตไม่เวลาเป็นบาตรกลับจากเป็นบาตรแล้วพระสารีบุตรกําลังจะกลับวัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัดที่มัณฑกพระสารีบุตรอยู่เพราะองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบ ว่าพระธีมเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรทั้ง 500 รูปเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้ง 7 กัมพีถ้าเขาฟังตามอิทธิธิก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลพระองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระกิณสีจึงได้ไปดักพระสารีบุตรที่ขอบสระโพคระณี เมื่อพระสารีบุตรพบองค์สมเด็จพระชินสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระอาทีบแจ้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอจงเรียนพระกร <c oughs> 7 ประการนี้ไปคําว่าพระกรหมายความเรื่องหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนํามาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้ แล้วองค์สมเด็จพระกินนสีก็มีพระพุทธดิกาตรัสว่าสาลิบุตลูกศิษย์ของเธอทั้ง 500 รูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างคาว 500 ตัวเคยฟังประการเจตการนี้มาแล้วแล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวทนดาทั้ง 500 ท่าน เมื่อหมดบุญจากเทววัณฬาก็จุติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชายประโมทย์เวลานี้บทในสำนักของเธอถ้าเข้าฟังปริยกรเจตปริการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันทีเมื่อองค์สมเด็จพระกนิษฐีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําพระสาลิบุตต์แล้ว องค์สมเด็จพระอาทิปเจ้าก็บอกกับพระสารีบุตรให้เรียนเบื้องก่อนทั้ง 7 ประการคือพระวิธรรมทั้ง 7 กัมพีองค์สมเด็จพระกิญจสีกล่าวธรรมแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนมัสสรเวลาคนตายในเวลานี้เมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระกิญจสีก็แยกจากพระสารีบุตรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลก ท่านดาวะดึงไปเสด็จประทับที่บันดุกรุงปิระอาสเทศน์ต่อพระที่องค์ทรงเสด็จพระบรมโลกคนาททรงนิรมิตรไว้ทั้งนี้พร้อมและเทวทนาทั้งหลายจะทราบก็หาใหม่เพราะเป็นอำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์สำหรับพระสารีบุตรนั้น มหาราชได้สนัดคือเรียนพระกรทั้ง 7 ประเภทการจากองค์สมเด็จพระวิจิตรมานบรมศาสดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสคําแนะนําขององค์สมเด็จพระอาทิตย์แก้วเริ่มไปชั้นฆ่าเสร็จแล้วจึงเรียกพระที่เป็นบริษัททั้ง 500 รูปมาประชุมกันแล้วก็แสดงพระกร 7 ประเภทพร้อมได้คําอธิบายให้เข้าใจ บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระภิกษุเจรจาพร้อมด้วยคําอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตตผลเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนานี่แหละแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการที่นําประวัติความเป็นมาของโง่เหลมคนดีข้างคาคนดีมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทสาก <c oughs> ก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเขตของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนักถ้าหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดัดแปลงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เสียผล ท่านนั้นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าว่าเป็นบุญกิริยาวถุคือสร้างความดีทุกประการตามที่องค์สมเด็จพระพฤฒิชิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> เอพระเณรนี้ก็แสดงว่าท่านทั้งหลายเคยพบพระองค์สมเด็จพระชินาวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงมีความพอใจในการสนดักและปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบารมีของท่านทั้งหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมาก ยังมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งๆที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเว้นถ้วยกับแท่งก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดี เรดมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเค้าจะสั่นหัวเพราะเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักโบได้ศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีศรีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงการเปรียบเทียบถึงบุญบารมีหากว่าท่านบางหลายจะบอกว่าแม้บารมีที่ข้าพเจ้าสร้างมันน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเสียใหม่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริสะท่านหลายคิดญาณนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเสียใหม่ที่นมถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้เราจะพอใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็แล้วกัน ท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจรีบเปรียบเทียบบารมีกันได้ในตอนนี้เป็นอนุวาทท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบารมีพอสมควรแต่อย่ารวมความแล้วก็ดีกว่าข้างคราวดีของงูเหลามากอย่างน้อยที่สุด <c oughs> ท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคําพูดที่พระท่านสวดเร่งฟังเครื่องเสียงที่ฟังวันนี้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคําพูด ถ้าจะเปรียบเทียบกับคังคาวและงูเหลื่อมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อคังคาวกับงูเหลื่อมเป็นสัตว์ดิรัจฉานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องพอใจแต่เพียงเสียงตายแล้วเป็นภูตวดาได้อันนี้เป็นบุญใหญ่เบื้องแรกแล้วกลับลุมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ําอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสําเร็จอรหัตตผล ก็นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรวรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นอันว่าท่านมีกําไรดีกว่างูเหลืองและข้างคาวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมโสค ที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาแสดงฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเรื่องเวลาและอย่ากลัวเรื่องเงินบันทึกเอาไว้หลายๆเรื่องได้หลายตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สุดมีอยู่เท่าไหร่ <c oughs> ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกไว้สัก 2-3 นาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไรเมื่อเวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงพระธรรมบทนั้นก็ไว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจเวลากลางวันที่ประกอบกิจการงานถ้าว่างเมื่อไหร่นึกถึงธรรมบทนั้นเอาไว้ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวัตตะของสารถ้าตายไปจากมนุษย์มิไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดาหรือสกลนี่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือสกลมาเกิดเป็นคนฟังธรรมซ้ําอีกหนเดียวก็บอกว่าถ้าอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีย่อมรู้ใจคน <c oughs> ว่ามีกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ําหรือว่าสกิปแหล่เก่าจะทําให้เราเข้าถึงธรรมบทนั้นได้โดยฉับพลันและเป็นอรหันต์ทันทีเกิดดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวทนดาถ้าพระสีอ่านตรัสขึ้นมาเรายังเป็นเทวทนดาหรือผม ถ้าฟังเทศน์จากพระศรีอ่านเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าองค์สมเด็จพระวิชิตตมานเทศน์สอนพุทธบริษัทคราวใดปรากฏปฏิวัฑดาหรือผมบรรลุมรรคผลมากกว่าคนเพราะว่าเทวดาก็ดีภงค์ก็ดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวล มวยจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบธิบเจ้าได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้ง่ายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติคําแนะนําในเรื่องของพระสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี